แต่ก่อนโหติดชอบอะไรต้องไปให้ถึงที่เดี๋ยวนี้เออเอ า, เอ า, เอาไม่ไม่กินก็ได้เอาอย่างอื่นทดแทนก็ได้เนี่อารมณ์มันเบาเบาขึ้นนางเยอะซึ่งสภาพพวกนี้เนี่ยการกินอยู่หลับนอนต่างๆบ้านช่องเลื่อนชาอะไรคุณจะเห็นเลยว่าเออพอเราเนี่ยแม้ว่าเราเองเนี่ยมาทือซีมาปฏิบัติรมอารมณ์พวกนี้เราเนี่ยจะดีขึ้น แต่ที่อาจมาบอกว่าไม่ฉลาดภูมิคือส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่เพิ่มภูมิในการปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นนี่คือการไม่ฉลาดภูมิบางทีบางคนเนี่ยมาใหม่ๆโอ้โหตัวศีล น, นะมีตะบะทำอะไรต่างแต่พออยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปคนถามว่าถือศีลเท่าไหรก่ก็เท่าเดิมแหละก็ศีลหแต่ถามจริงๆรว่าตรวจไหมบางทีไม่ได้ตรวจเหมือนเดิมล้ว อยู่นานไปนานไปชักไม่ค่อยตรวจแล้วศีลเรินของตัวเอ ง, ท, ง, ท, งทั้งๆที่ยังไม่ถึงขั้นว่ามีศีลเป็นปกติยังไม่ถึงขั้นนั้นเลยนะคาว่ามีศีลเป็นปกติเนี่ยคือคุณไม่ต้องตรวจอะไรเลยคุณจะนึกคุณจะคิดคุณจะพูดจาคุณจะทำอะไรนี่อัตโนมัติเลยศีลมันมาควบคู่ไปโดยโดยอะไรอะ่ะโดย สติรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ย ม, มันมาเองเลยแต่ในสภาพความเป็นจริงเรายังไม่ได้เป็นศีลบุคคลยังไม่ได้เป็นมีศีลอยู่กับตัวเองเป็นปกติอย่างนั้นเลยแต่ชักขี้เกียจ ต, ตรวจแต่เราก็อยู่กับหมู่กลุ่มได้อะอยู่ในหมู่ศีล5้าได้อยู่ในหมู่ศีล8ได้เราก็อยู่หรือต่อให้เป็นนักบวช ด, ด้วยก็อยู่ในหมู่นั้นได้แต่ในสภาพความเป็นจริง ไม่ได้พัฒนาไม่ได้เจริญขึ้นเท่าไรเท่านั้นอธิศีไม่มีเพิ่มตะททาอะไรก็ไม่ได้มีเพิ่มหรือตะที่มีอยู่หรือศีที่มีอยู่ไม่ได้พัฒนาขึ้นเลยแล้วไม่เพียงแต่ไม่พัฒนาขึ้นความเป็นจริงบางทีเสื่อมลงด้วยซ้ำไปนะบางทีเราจะเห็นได้เลยว่าเสื่อมลง เพราะนั้นสังเกตได้จากตัวเราเองนะไม่ต้องไม่ต้องไปสังเกตคนอื่นเขานี่นี่ขนาดพูดถึงคนที่มาถือสีมาปฏิบัติธรรมแล้วนะอันตราถึงบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยยังจะอยู่ในสภาพของประเภทที่สองเลยคือคือจริงๆเนี่ยเราเราฉลาดผูกมาได้ขนาดหนึ่งแล้วแต่พอฉลาดผูดมาได้ขนาดหนึ่งแล้วเราเนี่ยง่ายจะติดแป้นจะหยุดเมื่อเราหยุด เราติดแป้นตอนนี้แหละคือไม่ฉลาดถูกแล้วแต่สภาวะของ EQ สภาวะของอารมณ์บางทีมันมันพอได้อยู่ไงยิ่งอยู่กับหมู่กลุ่มคนที่เขาไม่ได้รุนแรงไม่ได้ไปอะไรอย่าหยาบคายอะไรจนเกินไปนักเนี่ยมันก็ไม่ไปหนักเหมือนสภาพข้างนอกเพราะฉะนั้นโดยโดยการแก้บางทีมันพอแก้ได้ แต่ว่าแก้แบบตรงประเด็นมัง่งไม่ตรงประเด็นมั่งก็แล้วแต่แต่มันพอแก้ได้ยิ่งอยู่ในหมู่กลุ่มอยู่ในพักพวกเพื่อนฝูงโอ้บางทีก็อ้าวทำตรงนี้ไม่ได้ไปทำตรงโน้นย้ายวิกเอาไปทำตรงโน้นอีกไม่ได้ก็เอาย้ายไปอีกผู้สถานนี้ก็ไม่ได้ไปผู้สถานโ น, น้นแผนกนี้ไม่ดีก็ไปแผนกโน้ น, นเนี่ยมันย้ายไม่ยากอะไรแต่อันนี้มันก็จริงๆเนี่ย มันแก้ปัญหาได้แต่มันยังไม่ไ ม, ไม่ถูกจุดอะไรนักนะถ้าจะแก้ให้ดีถึงบอกว่ามันต้องแก้ไปถึงจิตถึงใจเราเองนะโดยเฉพาะจิตอะไรบ้างอะ่ะถือสาโกรธไม่ชอบใจหรือว่าไปเกิดตามเกิดราคะไปเกิดผูกพันแบบชนิดที่เรียกบ้าโอโหไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยต้องแก้ให้ได้โดยเฉพาะ จากทั้งสถานที่หรือจากการงานหรือจากสภาวะจิตของเราต้องแก้ให้ได้แก้ให้ได้ครบส่วนบุคคลที่ประเภทที่สที่ท่านบอกเอาไว้ว่าถ้าทั้งไม่ฉลาดผูกแล้วก็ไม่ฉลาดแก้พวกนี้เนี่ยพูดถึงในแวดวงของคนที่มาทือศีลมาปฏิบัติธรรมพวกนี้อยู่ได้ไม่นาน ไม่ฉลาดผูกด้วยนะบางทีมาเจอหมู่กลุ่มดีมาเจอครูบาอาจารย์ดีๆมาเจอเรียกได้เลยว่าหมู่มิตรดีสายดีแต่คุณต้องเข้าใจคาว่าหมู่มิตรดีสายดีนะเพราะบางคนนี่ยังเข้าใจผิดคาว่าหมู่มิตรดีสายดีคือคิดว่าในหมู่กลุ่มของคนที่บอกว่าหมู่มิตรสายดีเนี่ยทุกคนดีหมดเลยไม่ใช่หมู่มิตรดีสายดีเนี่ย มันก็มีดีมากดีน้อยอ่ะมันมีปนๆเปเปๆกันอยู่อ่ะแต่ส่วนใหญ่เขาก็ตั้งใจมาดีอ่ะแต่บางคนเป็นยังดีไม่มากเท่าไหร่มันดีน้อยอ่ะเพราะนั้นเชื้อของโลกีเชื้อของโลกโลกบางทีโหมันยังมีเยอะอยู่นะแต่เขาก็ตั้งใจดีเขาก็ปรารถนาดีแล้วมาอยู่ในหมู่มิตรดีสายดีเขาตั้งใจจริงๆไม่แกล้งเขาก็อยากดีจริงๆ แต่อุปนิสัยใจคออ้าวมันยังดีได้ไม่มากอ่ะแต่เขาก็มาอยู่ในหมู่กลุ่มอย่างเงี้ยเสร็จแล้วบางทีคุณก็ต้องเจอด้วยอ่ะไม่ใช่พอบอกว่าหมู่มิตร ด, ดีสายดีแล้วก็โอ้โหใครๆก็พูดภพเราะใครๆก็แม้เมตตาสูงอ่ใครๆก็ยิ้มยามแจ่มใสหมดทุกคน <c oughs> ไม่จริงอะ่ะอันนี้คุณไปหาเหอในโลกเนี่ยมันไม่มีหรอก ไอ้หมู่มิตรดีสายดีแบบเนี้หาไม่ได้ในโลกนี้ขนาดพระพุทธเจ้าอยู่ทั้งองค์อะ่ะแล้วท่านก็บวกรุกส์รุนหาขึ้นมาเยอะแยะที่จริงเราต้องถือแล้วว่าหมู่กลุ่มที่พระเจ้าท่านบวชขึ้นมานี้ต้องถือว่าเป็นหมู่มิตรดีสายดีถูกมหมแต่ในหมู่นั้นก็โหยังมีอย่างพระเทวทัตมัง้งยังมีใครต่อใครบ้างอะ่ะที่ ที่ยังพูดง่ายยังนิสัยไม่ค่อยดีก็ยังมีอยู่อพาะฉอย่าไปเข้าใจผิดนะว่าโอ้โหคำว่าหมูมิตีสาย ด, ดีเนี่ยก็คือแหม่ต้องพูดดีต้องทําอะไรดีไปสมหมดทุกอย่างทุกคนซึ่งอันนั้นไม่ใช่สัจจะไม่ใช่ความเป็นจริงความเป็นจริงคือมันจะมีปนๆกันอยู่แต่ส่วนรวมส่วนใหญ่เขาดีนี่แหละ วันถ้าเราเข้าใจเนี่ยว่าอยู่ในหมู่มิตรดีสายดีอย่างนี้แล้วอ้านะคราวนี้ก็ภาคเพียนสิก็พยายามบางครั้งเราก็เจออะไรคนมาให้ขุมทรัพย์บ้างหรือว่าพูดง่ายเจอโดนติโดนว่าโดนด่าบ้างออหนีไม่พ้นต้องเจอทุกไลายผู้เจ้าก็ยังหนีไม่พ้นเลยแล้วเราจะหนีพ้นได้ยังไง พุทเจ้าก็โดนตีโดนว่าโดนด่าเหมือนกันเพราะัอันนี้คือสัจจะคือความจริงแต่ตอนนี้ระวังที่ว่าบางทีพอเรามาอยู่ในหมู่มิตร ด, ดีสายดีอะไรพวกนี้แล้วปรากฏว่าไปไ ป, ไปมาเราจะทำตัวกลายเป็นคนที่ไม่รู้จักผูกด้วยนะแล้วก็ไม่รู้จักแก้ด้วยนะระวังเถอะทั้งทั้งที่มาอยู่ในที่ดีๆแล้ว อะไรเก็ดีหมดแล้วบูคุ่มส่วนใหญ่ก็ดีสภาพสถานที่ก็ดีบุคคลเน่ยก็สัพเยะเสถานที่ก็สัพเยะอาหารก็สัพเยะเสร็จแล้วอะไรอกีกครูบาอาจารย์นอ่อะไรอะไรก็สัพเยะหมดแล้วเหลืออยู่แต่ตัวเราเองปรากฏว่า ไม่ฉลาดถูกก็คือนะตัวเราเองก็ไม่เพิ่มเสร็จแล้วไม่ไม่เพียงแต่ไม่เพิ่มการฟังธรรมไม่เพิ่มการศึกษาหาความรู้เพิ่มไม่เพิ่มอธิศีนไม่เพิ่มตะบะของตัวเองแล้วปรากฏว่าไม่ฉลาดแก้กนะอ า, อารมณ์อะไรอ่ะสับสนวุ่นวายอารมณ์แปรปรวนง่ายอารมณ์เสียง่ายอารมณ์เป็นลัก โรคโกรธหลงง่ายโอ้โหตายอรมาถึงบอกประเภทเนี้ยอยู่ไม่ไม่นานหรอกแป๊บเดียวเดี๋ยวเห็นผลเลยเพราะทะเลเนี่ยจะซัดซากศพขึ้นฝั่งเสมอคือจะไม่ให้ศพเนี่ยอยู่ในทะเลได้อันนี้เป็นคําเปรียบนะก็หมายความว่าคือทะเลเนี่ยนะจะซัดคือคือจะมีคลื่นมีลมเนี่ย นันจะเกิดขึ้นเกิดลมเนี่ยซัดอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่ว่าแจะซากศพนะที่จะซัดให้ขึ้นฝั่งโดยเฉพาะไอ้ที่มันลอยน้ําได้เลยนะซัดเข้าหาฝั่งตลอดอะ่ะไม่ฝั่งไหนก็ฝั่งหนึ่งก็ซัดไปเรื่อยอะ่ะเหมือนกับคนที่จริงๆมาอยู่ในการถือศีลในการปฏิบัติธรรมแล้วอะ่ะถ้าคุณถูกต้องคุณปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบแล้ว คุณจะต้องมีอารมณ์มีความรู้สึกต่างๆเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆ เ, เคยเป็นคนขี้โกรธขี้โกรธจะต้องลดลงเคยเป็นคนขี้โลภขี้โลภจะต้องลดลงนะเคยเป็นคนที่โอ้โหไอ้นู่นก็สงสัยไอ้นี่ก็สงสัยไอ้นั่นก็กลัวไอ้นี่ก็กลัก ว, าวาสารพัดระแวงจะต้องลดลงถ้าคุณปฏิบัติได้ถูกต้องถูกทางแล้ว นะสภาพของ eq โลกุตละจะต้องเพิ่มขึ้นแล้วคนนั้นถึงจะอยู่วัดหรือว่าปฏิบัติธรรมไปได้ยาวนานคนที่ปฏิบัติธรรมไปได้ยาวนานเนี่ยอยู่ที่ตัวหลังนี่ก็คือคือเป็นตัวที่จะต้องแก้ให้ได้เก่งคุณอยู่ไหนเนี่ยถ้าคุณแก้ปัญหาได้เก่งโดยเฉพาะปัญหาตัวเองก็ตามหรือปัญหาเพื่อนฝูงคนอื่นก็ตาม หรือปัญหาเรื่องการงานอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะเรื่องจิตใจนะอันนี้ถ้าคุณแก้ปัญหานนี้ได้เก่งโอ้คุณอยู่ไหนคุณก็อยู่ได้แม้ว่าคุณจะต้องอยู่ในที่ที่ลำบากหน่อยจะต้องฝืนใจบ้างจะต้องอดทนอดกั้นบังก์ตามแต่คุณจะอยู่ได้คุณจะไปได้เรื่อยๆยกเว้นว่าพอเราอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปน่ะ ปรากฏว่าโอ้โหเนี่ยยิ่งฟังเทศฟังธรรมยิ่งรู้ยิ่งเข้าใจเทศคนอื่นก็เก่งคนที่สอนเขาอื่นก็เก่งนะใครมาถามใครมาอะไรอ้ตอบได้หมดตอบถูกต้องด้วยนะแต่ปรากฏว่ายิ่งพวกนี้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแต่เนี่ยศีลคุณไม่สูงขึ้นกระบะธรรมคุณไม่ไม่มากขึ้นการประพฤติการปฏิบัติตัวของเราเองนี่ไม่ได้ดีขึ้นเลย แต่ความรู้พวกนี้สูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆระ probable, วังเถอะทั้งอัตตามานะทั้งความหลงตัวเองโอ้โหจะขึ้นไปเรื่อยๆเลยขึ้นไปเรื่อยๆเลยวคิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าตัวเองแน่คิดว่าตัวเองถูกด้วย <America. S 2> เพราะฉะนั้นอันตรายยิง่งหลงเงี้ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นการแก้ปัญหามักจะใช้อะไรแก้บางทีใช้อำนาจเพราะว่าหลงตัวเองนี่ใช้อำนาจ ใช้ความที่ว่าฉันฉลาดกว่าแกแกน่มันรู้ไม่เท่าฉันเพราะนั้นบางทีเนี่กวาดคนอื่นทิ้งกวาดคนอื่นทิ้งเลยไม่ได้มีความอ่อนน้อมไม่มีความที่จะเป็นปรโตโขโะที่จะฟังความคิดเห็นของคนอื่นเขาหรือว่าหัดยอมคนอื่นเขาบ้างเนี่ยยอมไม่เป็นเพราะว่าหลงตัวเองเชื่อมั่นตัวเองจนเกินไป เพราะคิดว่าตัวเองถูกต้องอันนี้อิเลสพวกเนี้มันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นไปอยู่ในหมู่ไหนกลุ่มไหนแก้ปัญหาไม่ค่อยได้บางทีอะจบดอกเตอร์โอ้โหมีความรู้มีความสามารถมากเลยนะแต่ไปทำงานกับใครเขาไม่มีใครเขาอยากจะทำงานด้วยเพราะว่าบางทีไปดูหมิ่นเขาบางทีไปด่าว่าเขาหรือบางทีก็ไปอะไรอะ คือคือคอืเขาเป็นคนอีกระดับนึงแหมเราระดับนี้แหมยกตนข่มเงินอื่นอะไรต่ออะไรพวกนี้คนเขาหมั่นไส่มากๆเขาบางทีโทแกงเขาเพอเพอ เ, เ, เขาไม่ใช่แกงธรรมดานะบางทีเขาเล่นแรงๆเลยเขาแกล้งหนั ก, นกๆเลยเพราะงานการที่จะทําไปแทนที่จะสําเร็จรูร่วงไปพังทลาย ห, หมดเพราะฉะนั้นอันนี้ระวังให้ดี เพราะถ้าเป็นการถือศีลเป็นการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องเนี่ยถึงได้จะต้องมีนะการอ้อมนอนท่อมตนเป็นมงคลอนุดมการที่มีคาราวะนิวาโตรู้จักเคารพคนอื่นเขารู้จักนอบน้อมคนอื่นเขามันถึงต้องเข้ามาเพื่อที่จะไม่ให้เราเนี่ยหลงตัวเราเองมากะ ซึ่งอันนี้น เ, นเราเองเนี่ยเราจะต้องฉลาดรู้แล้วก็ไหวทันตัวเราเองเนี่ยให้ได้ยากมากมากเลยนะใครมาบอกมาสอนเราเนี่ยโอ้โหเราแก้ตรงนี้ยากมากตัวเองเนี่ยถ้าไม่รู้ตัวเองเนี่ยจบเลยเรื่องนี้ไม่มีใครมาบังคับเราได้หรอกในโลกเนี่ยบอกได้ตรงๆเลยไม่มีใครมาบังคับเราได้ต่อให้ผู้เจ้าก็มาบังคับเราไม่ได้ ใหญ่ที่สุดแล้วแล้วเราก็เคารพนักถือที่สุดแล้วนะถือว่าสูงสุดในในความเป็นมนุษย์ในความเป็นยอดคนแล้วแต่ต่อให้ผู้เจ้าก็ยังมาบังคับเราไม่ได้ถ้าเราไม่ยอมสอ <c oughs> อมาาัอย่างออาจะมาบังคับได้ยังไงเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้เจ้าแล้วก็จะมาทุกคนต้องยอมหมดไม่จริงอะ่ะถ้าทุกคนยอมหมดอะ่ะมันจะมีคนมา เอาช้างไล่เหยียบผูะเจ้ามีคนที่เขาจะสั่งให้มารอบฆ่าพู้เจ้าเลยเอา้าถ้าคนมันยอมได้หมดทุกคนไม่เพราะอันนี้เตือนตัวเราเองเพราะบางทีเนี่ยแม้แต่เราเนี่ยอยู่ในหมู่กลุ่มที่เราก็คิดว่าเออเนี่ยก็ถือศีลแล้วปฏิบัติทมแล้วเสร็จแล้วก็บางทีเราก็หลงตัวเราเองหลงจนกระทั่งบางครั้ง คนอื่นที่ศีลสูงกว่าเราเนี่ยเรายังไม่เคารพเลยบางทีเราก็ยังไม่เกรงใจเลยซ้แไปนี่เขาเรียกเาเรียกว่าลืมตัวแล้วอาจจะไม่หลงตัวนะแต่ลืมตัวลืมตัวว่าบางทีเนี่ยทำไปทำมาเอาลืมตัวจนได้นะเพราะฉะนั้นจะต้องระวังบ้างเหมือนกันถ้าไม่ระวังแล้วเนี่ยโอกาส พอมันไปเรื่อยๆความเคยชินมันเกิดขึ้นทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจากลืมตัวเนี่ยคุณลืมไปลืมมาลืมไปลืมมาหลงได้นะหลงตัวเองได้นะบางทีรู้ว่าอ้าวท่านสิงสูงกว่าเราเราสิงน้อยกว่าท่านแต่ลืมไปอะบางครั้งก็ลืมมันลืมบ่อยครั้งเข้าลืมบ่อยครั้งเข้าลืมบ่อยครั้งเข้าอ่าหลงตัวเลยคนนี้หลงเลยว่า กันเองพอกันหลงนะระวังให้ดีนะเขาคุณหลงไปเมื่อไหร่เมื่อนั้นนะ่ะทันทีเลยคราวนี้แหละคุณแก้ยากถ้าถึงขั้นหลงแล้วคุณแก้ยากมากเพราะอัตตามานะจะจัดอัตตามานะจะสูงมากคนหลงตัวนี่โอ้โหอัตามาเนี่ยเจอมาแล้วไม่สอนไม่พูดด้วยเลยบางทีจำนนยอมแพ้ โอ้โหพวกนี้เจอคนพวกนี้ไม่สอนไม่ยุ่งด้วยเพราะว่าพูดด้วยไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องจะว่าเราหลงบ้างก็แล้วแต่นะแต่เรายอมวเราไม่ไหวอ่ะบุคคลประเภทนี้เราใครใครสอนได้ให้ก็ยิ่งสอนไปนก่อนเราก็เรายกไว้ก่อนเราเวนเ้นไว้ก่อนเพราะฉะนั้นมันจะมีจริงจริงแต่ระวังถึงบอกว่าอย่าลืมมองย้อนดูตัวเราเองด้วยว่าเอ๊ะ ตอนนี้เราลืมตัวไหมเราหลงตัวไหมมันถามตัวเองบ่อยๆโดยเฉพาะคําว่าเราหลงตัวเองไหมเราลืมตัวเองไหมตอนนี้เนี่ยเราไม่ฉลาดผูกเราไม่ฉลาดแก้แล้วหรือเปล่ามันถามถ้าเรามันถามได้นี่จะทําให้ตัวเราเนี่ยไม่ลืมตัวไม่หลงตัวจะช่วยได้เยอะเลยอาตมาเองเนี่ยบางทีต้องคอยเตือนตัวเองอยู่เสมอๆนะเพราะอาตมาก็คนนึงนะ ที่บางทีมันชอบเชื่อมั่นตัวเองชอบที่จะหลงตัวเองหลงไปหลงมามจะลืมตัวได้จริงๆอืก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังบางทีพ่อท่านก็พ่อท่านเถอิดก็เคยเสียงดังกับพ่อท่านมาแล้ว <laughs> อาตมาเนี่ยแหละบอโอ้โหมันลืมตัวได้แฮไม่หลงหรอกนะแต่มันลืมตัวแต่พอลืมตัวไปแล้วเราก็โอ้โหรู้ตัวก็แหมไม่ไหวเลย เรานี่ยังต้องฝึกอีกโอ้ต้องกลับมาพยายามภาคเพียนพยายามฝึกเราอีกเพราะถ้าคุณฝึกรู้ตัวได้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเข้าเนี่ยโอกาสที่คุณจะลืมตัวนี่ยากถ้าโอกาสที่คุณจะลืมตัวยังยากเลยโอกาสที่คุณจะหลงตัวก็ยากมากยากมากที่จะหลงตัวขนาดลืมตัวยังไม่ลืมเลยไอ้ยิงจะไปหลงเลยเนี่ยโอ้ ยิ่งยงโอกาสที่จะไปทิศนั้นทางนั้นยิ่งยากมากมากเพรามันจะมีสติคอยเตือนเรานะอ่าเก่งแล้วเหรอแน่แล้วเหรอคิดว่าทําอาหารอร่อยที่สุดในโลกแล้วหรือไง <c oughs> ไม่หรอกนะเพราะฉะนั้นหวังว่าเราเองเนี่ยเราคงที่จะนะรู้ตัวเราเองให้ได้นะวันนี้คงพอเท่านี้แล้วกันนะ